ธรรมะคำอสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีจำนวนมากมายเพียงใดที่นับได้พอประมาณว่ามีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เหล่านี้เหมือนกันกันกบฝนตกลงในพื้นปฐพีของเรา แล้ไหลลงตามห้วยหนองคลองมึงต่างๆสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่มหาสมุทรแห่งเดียวธรรมะจะมากมายเพียงไงก็ตา่างสุดท้ายก็ไหลรวมลงสู่จิตแห่งเดียวจิตจึงเป็นเหมือนนะ้ำมหาสมุทรสำหรับรับศาสนาธรรมทุกประเภททั้งจากกลางละละเอียดได้โดยสมบูรณ์ ไม่มีบกพ่องคือจิตนี้เท่านั้นคือสามารถรับทําได้ทั้งหมดในบทธรรมที่ท่านสอนไว้ว่ามโนปุพังธรหมะข ม, มาธํา ม, มามโนสถิ ธ, ธามมามายาเป็นต้นว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่าง สำเร็จแล้วด้วยใจใจจึงเป็นหัวหน้างานสำคัญอยู่มากทั้งการมาปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งความเป็นอยู่และความเคลื่อนไหวไปมาหน้าที่การงานคิดถูกประการใดขึ้นอยู่กับใจ และอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าน้นก็ขึ้นอยู่กับใจใจเป็นผู้มาพาหมุนมาให้เกิดในกำหนดต่างๆเพราะอำนาจแห่งกรรมที่เกี่ยวข้องหรือทำพันอยู่กับใจดวงนั้นๆและจำหมุนไปในอนาคตต่การข้างหน้าเพื่อพบชาติต่างๆตามกฎแห่งกรรมอยู่เช่นเดียวกัน เหล่านี้ขึ้นอยู่กับใจเป็นสาคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดเพราะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติตัวเองโดยถูกต้องเพื่อความราบรื่นชื่นใจในความเป็นด่และความเป็นไปในอนาคตของตน เนื่องจากใจที่ไดรับอบรมพอสมควรหรือได้รับอบรมดีแล้วความสกรปรกใจก็ต่างในโลกนี้สิ่งกิตตสมิตโครนสิ่งสกปกโสมมต่างๆที่โลกไม่พึนปรารถนากันเหล่านั้นก็ไม่เหมือนใจที่สกปก เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ก่อความเดือดร้อนและเสียหายแก่ผู้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดให้ได้รับความพินาศชิดหายเหมือนใจที่สกปลกซึ่งก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและโลกมากมายไกลก่อหากว่าโลกได้คํานึงถึงความสศกปลกภายในคือใจนี้บ้างแล้ว ใจก็จะรับความเดี๋ยวแลในการชำระสะสางหรือซักพ่อดัดแปลงตนเองทั้งความรู้ความเห็นความคิดการกระทําต่างๆขึ้นสาเร็จไปจากใจให้ดีขึ้นโดยลำดับใจก็จะสะอาดใจก็จะมีเหตุมีผลการเคลื่อนไหวออกในแง่ต่างๆก็จะมีเหตุผลเป็นเครื่องที่แนวทางหรือดำเนิน ความผิดก็มีน้อยผลที่จะพึงได้รับจากการอบรมก็คือความสมหวังความสงบสุขเย็นใจนี่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุผลอย่างนี้จึงได้ประกาศศาสนาธรรมลงที่หวัวใจสัตว์โลกไม่ได้ประกาศลงในสถานที่อื่นใดทั้งหมดเพราะโทษกับคุณนั้น มีมหาศาลดูภายในใจดวงไม่มีอยู่ในที่อื่นใดดังที่กล่าวเบื้องต้นว่าความสกปรกจะเป็นสถานที่สกปรกหรืออะไรสกปรกก็ตามก็ไม่ทำความเสียหายให้โลกได้รับอย่างร้ายแรงเหมือนใจที่สกปรกท่านจริง นำศาสนาธรรมที่เรียกว่าน้ำอัญะอาดมามอบให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่ควรแก่ธรรมของท่านได้นำไปประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นเหมือนกับการซักฟอกจิตใจของตนให้มีความสะอาดสวยงามปราศจากความโสโครกทั้งหลายไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงความสะอาดอย่างดิ่ง ได้จากจิตที่บริสุทธิ์ใจที่จะพาไปถูกกำเนิดเกิดในสถานที่ต่างๆจึงขึ้นอยู่กับความส ก, ร ป, ก, กปรกรคภูมิังของใจและขึ้นอยู่กับความสะอาดของใจที่จะพาให้เป็นไปถ้าใจเป็นไปด้วยความสกรปรก้าให้ไปเกิดกาเนิดที่เกิดนั้นก็เป็นที่ผิดหวัง รูปร่างกลางตัวที่แสดงออกจากกำเนิดนั้นก็ขี่เลี้ยวที่เล็กไม่สุดสวยงดงามพิยาที่แสดงออกทางกายทางวาจาหากพอพูดได้เหมือนอย่างมนุษย์เราก็จะสกกรบตกไปตามๆกันคือพูดให้เป็นการกระทบกระเทือนพูดให้เกิดความเสียหายหแจ่ ผู้อื่นทั้งตัวเองด้วยเป็นอันดับแรกถ้าจิตได้รับการอบรมให้มีความสะอาดพอสมควรด้วยน้ำอัดน้ำทำเป็นเครื่องช้าล้างกำเนิดสถาน ท, ที่เกิดในพบนั้นๆก็จะ ส, สวยงดงามสะอาด เย็นใจยิ่งมาเกิดเต็มมนุษย์ด้วยแล้วโลกเราต้องการรูปเป็นำํำขัดคือความสดสวยงดงามสดสวยมืองามทั้งรูปร่างด้วยทเลาะเพราะพิ้งทั้งการพูดจาเต็มไปด้วยเหตุผลด้วยการแสดงออกแห่งความประพฤติก็สะอาด ปราศจากมนตินโทษทั้งหลายนี่ขึ้นมาจากใจที่สะอาดใจสะอาดจึงเป็นเชื้ออันสำคัญเหมือนกับผลไม้ที่เป็นพันธุ์ดีนำไปปลูกในที่ต่างๆแม้จะไม่เหมือนแม่ก็ตามไม่เหมือนต้นเดิมก็ตามก็ยังมีเชื้อแห่งพันธุ์ดีติดอยู่ในลาต้นของมันบ้าง ใจที่เป็นต้นเชื้ออันสําคัญได้รับการอบรมทักข้อด้วยศีลด้วยธรรมจึงเป็นใจที่เหมาะสมกับกำเนิดต่างๆอันเป็นที่พึงปรารถนาและผลที่จะพึงได้รับจากความสะอาดของใจนั้นก็เป็นที่พึงพอใจนี่ศาทนาธรรม จึงเป็นธรรมจาเป็นสําหรับโลกที่ต้องการความสุขความเป็นเความสมหวังทั้งหลายไม่นอกเหนือไปจากศาสนาธรรมเป็นเครื่องชี้แนวทางนี้เลยหากว่าธรรมไม่มีในอยู่ในโลกเลยแม้มนุษย์เราจะเสกสันปัญนยอตนว่าเป็นมนุษย์มีศักดิ์สูงกว่าสัตว์ก็ตามก็จะเป็นแต่เพียงคําเสกสันปัญนหยก แต่ความรู้ความเห็นความประพฤติที่จะทำความโกลกโกลมมให้เกิดความเ ด, ด, ดือดร้อนแก่ตนเองนั้นไม่ผิดอะไรจากสัตว์แตเลยเท่าที่มนุษย์เราผิดหรือต่างจากสัตว์ก็เพราะความรู้ความเห็นและเหตุผลเป็นเครื่องนำเนินตนเองแตพาพอยางยิ่งมีศีลทมภายในจิตใจด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นมนุษย์ที่สูง แม้จะมาอยู่บนฟ้าอากาศก็ตามก็สูงอยู่ภายในจิตใจความสูงตามหลักธรรมนั้นไม่ได้สูงอยู่บนฟ้าอากาศสูงอยู่ที่ใจสูงอยู่ที่ความปรับพฤตสูงอยู่ที่การแสดงออกถูกต้องเหมาะสมโดยทางเหตุผลนี่เป็นความชมเฉยของนักประช ซึ่งท่านได้ดาเนินมาแล้วและเห็นผลเป็นที่พึงพอใจมาแล้วจึงได้นำความถูกต้องดีงามนั้นมาสั่งสอนพวกชาวพุทธเราให้ได้ประพฤติปฏิบัติเวลานี้เรายังไม่ได้สายอะไรเหมาะสมอย่างยิ่งกับศาสนาธรรมทุกประเภทแม้จะเป็นคราว่าติจิตใจเราก็เป็นจิตใจมนุษย์เป็นจิตใจของชาวพุทธ มีความรักทอบเริ่มใสประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมได้เช่นเดียวกับผู้เป็นนักบวชถึงจะไม่ได้ชั้นชั้นสูงขนาดไหนเราก็กำลังบำรุงกำลังบำรุงเพื่อตัวเราอยู่เสมอความจเจริญพ่อคูณขึ้นโดยลำดับนั้นย่อมเป็นไปจากการบำรุงอยู่เสมอไม่ลดละความท่าเพีย นี่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธดำเนินตามทางของนักบัตรดังท่านทลายได้สละเวล่มเวลามาสู่สถานที่นี้หรือที่ใดก็ดีอันเกี่ยวกับด้านศีลป์ธรรมเรื่องเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดแส้มขอมรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งปัจจุบันที่จะพึงปฏิบัติตนให้เหมาะสมไปตามเวล่มเวลาที่ผ่านไปผ่านไป เรีย่ามีสายตาอันยาวไม่มองเห็นอยู่เฉพาะปัจจุบันไม่แต่คำหนึ่งถึงอนาคตนี้เรามองดูทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตผมกับวว่าเรามีความรับผิดชอบในตัวของเราคำรับผิดชอบคือเราเองเป็นผู้รับผิดชอบเราแม้จะผลไม่พึงปรารถนาเพียงไรเราก็ต้องเป็นผู้ยอมรับเอง การยอมรับเองทั้งดีและชั่วสุขและทุกข์เป็นเรื่องของเราคนเดียวแล้วเราจำต้องเลือกเพ้นจำต้องพิจารณาหาทางดับแปลงแก้ไขในสิ่งที่ยังไม่ดีสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็พยายามส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าวนี ไม่ได้เกิดขึ้นจากวิธีอื่นใดหรือความคาดชิดดาวเอาเฉยการปฏิบัติต่อตัวเองในให้ถูกต้องดีงามนี้แม้จะยากลำบากบ้างเราก็ทำเพื่อเราผลที่ได้รับจากความยากลำบากในการกระทำนั้นก็เป็นความสุข ทวาปุงใจของเราเองงานภายในจิตเพื่อสี่เพื่อทำเพื่อบุญเพื่อผู้สนซึ่งเป็นอาหารเพื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจึงเป็นงานจำเป็นเช่นเดียวกับงานภายนอกที่เรามีการทรรมาหาเรื่องจีบเกี่ยวกับเรื่องธานเรื่องขันมีความจำเป็นเสมอกันเพราะเราอาศัยธาตุขัน ธาตุขันนี้แสดงความบกพ่องต้องการสิ่งเ ย, ยาอยู่เสมอจำเป็นต้องได้สาะงแสงหามาไว้เพื่อความต้องการของธาตุขันที่มีความบกพ่องประจำตนอาหิวก็ได้รับทานหนิวข้าก็ได้รับทานหนิวนอนก็ได้มีที่หลับที่นอนหนาวก็มีผ้าห่มร้อนก็มีน้ำสำหรับอาบตลอดถึงดูกยา ที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในร่างกายของเราทุกการสถานที่ไปเราก็เตรียมพร้อมเพื่อความจำเป็นอันนี้ซึ่งมีอยู่กับตัวทุกคนประมาทไม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นความจำเป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องทำด้วยความไม่นอนใจทางด้านจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญถ้าให้ร่างกายได้เป็นอยู่นี้ มีความจําเป็นที่เราจะต้องบำรุงรักษาด้วยคุณงามความดีทั้งหลายอันเป็นอาหารของใจโดยเฉพาะและเป็นอาหารอันจําเป็นอย่างยิ่งต่อใจด้วยเพราะอาหารเหล่านั้นใจจะได้รับเพียงว่าร่างส่วนร่างกายวนต่างๆไม่มารบกวนจิตใจให้เกิดความกระเพื่อมขุ่นมัว เรืค่ความหิวความโหยความกระหายอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วไปต้องประทึนจิตใจเป็นการรบกวนจิตใจให้รับการให้รับความเดือดร้อนขุ่นโม่ขึ้นมาได้แต่ที่จะให้รับความดียิ่งกว่านั้นไปไม่มีมีเพียงเท่านั้นส่วนที่จะให้รับความดียิ่งกว่านั้นไปก็คือความดีทั้งหลาย อันเป็นอาหารของใจโดยเฉพาะหรือว่าเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจโดยเฉพาะถ้าขาดตกบกพร่องอันใดก็ตามเมื่อจิตใจได้มีอาหารคือคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตอนอยู่แล้วย่อมมีความชุ่มเย็นภายในจิตใจอยู่เสมอจะทุกข์จะจนจะมั่งจะมีก็ขอให้มีธรรม เป็นเครื่องรอเยี่ยงจิตใจผู้นั้นชื่อว่าผู้มีหลักชื่อว่าผู้มีแก่นสารภายในจิตใจชื่อว่าผู้มีที่พึ่งมีหลักยึดทั้งปัจจุบันและอนาคตราดทั้งหลายท่านจึงสอนให้บำเพ็ญและไม่มีใครที่จะมีความเฉลียวฉลาด ยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าในบรรดาโลกทั้งสามนี้ยอมกราบพระพุทธเจ้าเพราะความรู้ความฉลาดและพูดถูกต้องแม่นยาทุกสัตว์ทุกสว่วนทุกแง่ทุกมุมไม่มีข้อใดที่จะแย้งพระองค์ได้การกระทำของพระองค์ก็สามารถทำในสิ่งที่โลกไม่สามารถทำได้ รู้ในสิ่งที่โลกไม่สามารถรู้ได้สอนในสิ่งที่โลกทั้งหลายไม่สามารถที่จะสอนไดน้การกระทำพระองค์ที่ว่าไม่มีใครสามารถทำได้พระองค์ทำได้นั้นยกตัวอย่างเช่นสเสด็จออกทรงพระหนวดเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราเป็นกริย์ มีบริษัทปริวาลมากมายกายของทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์ทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังมีพระญาติพระวง์มีพระชายามีพระราชโอรสซึ่งเป็นสิ่งที่รักสงวนอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดก็ทรงชนะเสียได้โดยที่โลกไม่สามารถจะสละกันได้เลยแล้วไป บำเพ็ญพระองค์อยู่ด้วยความเป็นอนาาถาเป็นเวลาหกปีมีความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเพราะกษัตริย์ลดฐานะลงไปเป็นคนขอทานคือกษัตริย์ทั้งองค์มีความละเอียดอ่อนมีความทุก ข, ขุมความปรีภาพมีความสมบูรณ์พูนสุขเกือบพูดได้ว่าทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่โลกมีกันแต่ทรงชนะเสียโดยสิ่งเชิง ไปรับตำแหน่งความเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งที่ยึดถือไม่ได้ในทางในภายนอกบริษัทปริวาณแม้คนหนึ่งก็ไม่ปรากฏว่าได้ตามเสด็จนอกจากนายฉันนะที่ตามเสด็จพระองค์ในขณะที่เสด็จออกทรงผนวดเท่านั้นแล้วก็กลับมามากรากะก็ได้สิ้นชีวิตเสียในขณะ ไปถึงสถานที่พระองค์จะบำเพ็ญแล้วเท่านั้นไม่มีใครที่จะตามไปอุปถัมภะถารักษาพระองค์ท่านแม้คนเดียวอยู่อย่างคนขอทานอยู่อย่างคนอนาถาสเสวยพระกยายารอย่างคนอนาถาอาการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักของไปตามเรื่องของคนอนาถาทั้งมวล ไม่มีความเป็นการจัดเหลืออยู่เลยนี่จะเรียกว่ายากขนาดไหนแล้วผลที่ปรากฏขึ้นในเวลาบำเพ็ญเพียรว่าตรงสลบไปถึงสามครั้งนะทุกขนาดไหนถึงจะควรสลบได้ก็เรียกว่าขั้นรอดตายถ้ า, าว่าไม่ฟื้นก็ตายแค่เท่านั้นนี่รอดรอดตายไปถึงสามผน คือฟื้นมาถึงสามครั้งมีโลกใครบ้างที่สามารถทำได้อย่างพระองค์แต่พระองค์ทำได้นีน่ีเป็นข้อ1นข้อที่สองทรงรู้สิ่งที่โลกทั้งหลายรู้ไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะรู้ก็ได้แก่รู้ทำอันยอดเยี่ยมทำอันเอกนั่นเอง คือตรัสรู้เยอยธรรมโดยทางสยามภูคือรู้แจ้งเห็นจริงโดยลำพังพระองค์เองไม่ได้ไปศึกษาเร่าเรียนกับผู้หนึ่งผู้ใดในอุบายวิธีที่จะยังพระองค์ให้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้แม้จะไปศึกษากับดาบ ท, ทั้งสองเป็นต้น ก็ไม่ใช่ทางที่จะตรัสรู้เสียจึงเป็นเหตุให้พระองค์เสด็จหลีกออกไปจากอาจารย์ดาบททั้งสองนั้นแล้วไปทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองจนได้ตรัสรู้เดียรธรรมแจ้งกระจักรพรรไทยขึ้นมาทมเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ในโลกทั้งสามนี้แต่พระองค์สามารถรู้ได้นี่เป็นข้อที่สองข้อที่สาม มีใครบ้างที่จะเป็นศาสนาสอนโลกได้ทั้งสามโลกนี้แม้จะสอนตัวเองยังล้มลุกคู่ครางเราอย่าพูดถึงว่าไปสอนคนอื่นให้ได้มักได้ผลได้ความรู้ความฉลาดได้หลักได้เกณฑ์อะไรได้อะไรเลยเพียงแต่เราสอนเราเองก็ยังจะไปไม่รอดทำให้จอดจมลงไปมากมายก่ายกอง เพราะไม่สามารถสั่งสอนตนหรือตนออกให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องจิตขววงกดท่วงต่างๆอันเป็นสิ่งที่ตนและผู้ใดๆก็ตามไม่พึงปรารถนาเลยแต่นี้พระพุทธเจ้าพระองค์สามารถสั่งสอนโลกได้มากมายกายกองทั้งทั้งที่โลกทั้งหลายไม่สามารถสั่งสอนกันไม่สามารถ ทำตนหรือไม่สามารถที่จะสั่งสอนโลกได้เหมือนพระพุทธเจ้าในธรรมกล่าวไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพระองค์เป็นศาสดาองค์เอกสั่งสอนได้ทั้งมวลมนุษย์และเทวดาอินทมทั้งหลาย ท่านเด่า น, นั้นได้น้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าตลอดมาเพราะความลงใจว่าพระองค์ท่านสั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดคาดเคลื่อนอันใดเลยผู้ประพฤติปฏิบัติหรือไกรกรองตามเห็นเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นจำนวนมากด้วยที่ได้บันลุธรรมถึงขั้นพระราหัน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเพราะศาสนาธรรมที่ทรงสั่งสอนโดยสวคขาตาธรรมที่ตรัสไว้ชอบยิ่งจนกลายเป็นนิยารรมในกระทำแก่ผู้ประพฤติธปฏิบัติให้ดูดพ้นจากทุกข์ไปได้มากมายไกลก่อทั้งๆังที่ไม่มีใครสามารถจะสั่งสอนคนให้ได้ผลถึงขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าสามารถอย่างนั้นแหละเนี่ยที่กล่าวว่าทรงทำในสิ่งที่โลกทั้งหลายไม่สามารถทําได้พระองค์ทรงทําได้ ทรงรู้ได้ในสิ่งที่โลกทั้งหลายไม่สามารถรู้ได้ทรงสั่งสอนโลกทั้งหลายได้ ท, ทั้งที่โลกไม่สามารถสั่งสอนกันได้เหมือนพระพุทธเจ้ า, จาและคำสั่งสอนทั้งมวลที่ทรงสั่งสอนในข้างนั้นกับสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นพระโอวาทอันถูกต้องแม่นยําหรือตายตัวคงเส้นคงวาเช่นเดียวกับครั้ง พุทธการที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนอยู่หากผู้ใดตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักษาธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แลโดยถูกต้องนั้นผู้นั้นจะเป็นที่มงคลแก่ตัวอย่างน้อยก็เป็นสิริมงคลมีความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตัวเองและมากกว่านั้นก็ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับประจกักษ์ใจของตัวเอง ถ้าต่างคนต่างได้ประพฤติปฏิบัติอบรมศีลธรรมตัวเองก็มีความร่มเย็นผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเช่นครอบครัวก็มีความร่มเย็นเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่มีการแนกะแคงราคายทะเลาะบอ บ, บแว้งกันเพราะเหตุผลไม่ลงกันเนื่องจากต่างคนต่างมีเหตุมีผลโดยเดินตามหลักธรรมแล้วย่อมลงกันได้มีความผาสุกเย็นใจโดยไม่ขึ้นอยู่กับ เงินแสนเงินล้านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจที่ได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากสามารถยังครอบครัวหรือสังคมนั้นๆให้มีความสงบเย็นใจไว้วางใจกันได้โดยไม่มีเงินล้านเงินแสนที่ไหนมาซื้อความไว้วางใจความสงบเย็นใจนั้นได้เหมือนอักเหมือนธรรมนี้เลยเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีคุณค่ามาก ยิ่งกว่าสิ่งใดทําจิตใจของมนุษย์ให้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ดีรู้ชั่วประกอบหรือบําเพ็ญตนเองให้เป็นไปตามหลักแห่งสันติธรรมก็กลายเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาทั้งวงกว้างวงแคบธรรมะกระจายไปถึงไหนความสงบร่มเย็นย่อมมีแก่โลกถึงนั้นธรรมะจึงมีคุณค่ามากไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้แล้วในโลกนี้ เราทั้งหลายเป็นผู้ประปฏิบัติธรรมถือธรรมเป็นหลักใจถือธรรมเป็นหลักชีวิตถือธรรมถือธรรมเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจึงชื่อว่าเราได้ครองไว้แล้วซึ่งธรรมาสมบัติอันล้นค่าภายในจิตใจของเราไม่เกิดมาได้เสียชาติเป็นมนุษย์ทั้งขดเป็นมนุษย์ด้วยยังได้ทรงคุณค่าคือธรรมภายในจิตใจด้วย แล้วได้ต่อเติมเสริมวาสนาบา ร, รมีของตนให้ ส, งสูงยิ่งขึ้นไปโดยลาดับภายในจิตใจนี้ด้วยอนาคตของเรานับตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงอนาคตกว้างแคบใกล้ไกลขนาดไหนจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลด้วยธรรมที่เราบำเพ็ญ น, นี้โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นหลักธรรมจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมแก่คนทุกชั้นทุกใบที่จะนาไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศวัยของตน แต่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นคนดีได้ทั้งนั้นทาไม่ล้าสมัยเข้าได้กับทุกคนทุกเพศทุกใบขอทุกท่านนำไปพินิษพิจรารณาแต่พ่ อ, อยางยิ่งในเวลาว่างก็ควรจะได้อบรมภาวนาเห็นกำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลม ปล่อยวางอารมณ์อันใดที่เคยคิดเคยปรุงมาเป็นประจำนั้นเสียไม่ต้องเสียดายอารมณ์นั้นๆเพราะเคยคิดเคยปรุงมามากแล้วไม่เห็นเกิดผลอะไรเท่าที่ควรในขณะนี้จะบำเพ็ญตนด้วยอนาปาหติตหรือพุโทโธเป็นต้นให้จิตมีความสงบรู้ตัวอยู่กับลมหายใจหรือคําว่าพุโทโธใจจะมีความสงบเย็นเห็นประจักษ์ ความสุขที่เราปราถนาทั้งหลายเรื่อยมาที่ต้องการกันอย่างยิ่งด้ว่อยมาไม่เคยจีบจากนั้นจะปรากฏขึ้นในขณะที่จิตสงบด้วยบทธรรมนี้ไม่ต้องสงสัยความสงบหรือความสุขประเภทนี้ไม่เหมือนความสงบสุขอื่นใด ท, ดทั้งหมดที่เราเคยผ่านมาเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ารถแห่งธรรมชำนะซึ่งรถทั้งปวงนะคําว่าทั้งปวงก็ทั้งหมดไม่มีรถใดจะเยี่ยมยิ่งกว่า รถแห่งธรรมเมื่อได้เข้าสัมผัสใจแต่รถแห่งธรรมที่จะสัมผัสใจได้ประจักษ์นั้นต้องอาศัยใจมีความสงบด้วยการอบรมภาวนาเป็นสิ่งสำคัญการแสดงธรรมข้อเห็นว่าสม่วนเสียเวลาจึงของยุติเพียงธทรา